มีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะโคดมท่านมีที่นั่งที่อยู่สบายสินะนะคือคําพูดเก่งๆบอกว่าถ้าว่าแตเท่าท่านเจนเป็นกษัตริย์ท่านเป็นคนที่มีคนนับถือมากเป็นต้นเนี่ยท่านคงมีที่อยู่สบายเช่นมีบอลลังมีที่นั่งแหมทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมบอกว่าที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่พูดถึงแต่ว่าตถาคตมีที่อยู่ที่ดีกว่านั้นที่อยู่แล้วสบายเพราะพระองค์อยู่ด้วยพระองค์ไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่คือพรหมวิหาร พระองค์อยู่ที่ไหนก็เข้าพรหมวิหารได้พระองค์ไม่เบื่อร้อนเรื่องอาสนะทิพย์อาสนะพรหมและอาสนะของพระอริยเจ้าพระองค์มีที่อยู่แบบพรหมคืออยู่ด้วยพรหมวิหารอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุติตาอยู่ด้วยอุเบกขาพระองค์อยู่ด้วยทิพพระวิหารคือการเจริญฌานทั้งหลายนะจากกระสินเป็นต้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานหรือเข้าอรูปฌานทั้งหลายไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพระองค์ ไอาการที่พระองค์อยู่ด้วยฌานทั้งหลายเรียกว่าอยู่ด้วยทิพพระวิหารส่วนอริยวิหารก็เช่นการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเจริญโพธิปัจฉิยธรรมทั้งหลายเพื่อการตรัสรู้ถ้าสูงสุดเลยก็คือการเข้าพร ะ, ะสมาบัติการเข้าพระสมาบัตินั่นแหละเรียกว่าเข้าอริยวิหารอยู่ด้วยอริยวิหารเนี่ยนะดำรงมั่นอยู่ในอริยวิหารผู้ที่มีที่อยู่อย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็สบาย อแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่เลยเรียกว่าอะไรสมมุติโลกนี้นะชาวโลกใครก็ตามที่ไม่มีบ้านไม่มีที่สุกหัวนอนเลยนะเขาเรียกว่าคนเขาเป็นชนที่น่ายกย่องสรรเสริญเลยไหมไม่มีที่อยู่เลยอ่ะร่างกายไม่มีที่อยู่เลยนั่งตรงไหนก็เดือดร้อนไปที่ไหนก็ถูกแต่เขาไล่จะไปนั่งตรงไหนยืนตรงไหนเดินตรงไหนเข้าไปหลายแห่งเขาไม่ให้เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคนยากคนไร้คนไร้ค น, ไร ค, นไรคนอนาถา ไม่มีที่พึ่งที่พักที่พิงฉั้นใดใจของเราทั้งหลายถ้าไม่มีเมตตาอยู่ภายในไม่มีพรหมวิหารอยู่ภายในไม่มีทิพวิหารอยู่ภายในไม่มีอริยวิหารอยู่ภายในก็เป็นคนกัมพ้าทางวิญญาณเหมือนกันวิญญาณกัมพ้าวิญญาณอานาถาเหมงอนกันจิตใจอานาถาไรที่พึ่งโอ้ยทำไมมันแห้งแล้งแท้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 การที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่ก็ชื่อว่าทําให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบัดนี้ทําเพื่อตัวเองแต่อนาคตทําให้อขอไปบัดนี้ทําให้เหมือนทําให้คนอื่นแต่อนาคตทําให้ตัวเองนะนะโอ้ยเหมือนกับว่าอย่างสมมติคิดง่ายเห็นแต่เขามานี่ขยันพูดขยันแสดงธรรมเนี่ยอยคิดว่าทําให้โยมนะเหมือนนั้นนะแต่จริงๆอ่ะอยากทำให้ตัวเองในอนาคต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 สมบัติของเราจริงๆไม่ใช่ได้แค่ชื่อไปไว้เขียนตามแปะตามที่ต่างๆว่าสมบัติชื่อพระสมบัติเฉยๆเนี่ยไม่ก็จะได้มีสมบัติคืออริยสัพย์ปิดใจไปบ้างนะไม่เอาแต่ชื่อไปเฉยๆนันะนะนั้นชื่อไปเดี๋ยวก็ไปซ้ําชื่อคนอื่นก็ชื่อเหมือนกันเยอะแยๆชื่อโลโลว่างั้นต่อไปว่าเมตตาเมตตาเมื่อกี้บอกว่าอาวิเจวะระโหจา่าเนี่ยอาวิจแปลว่ารับหลัง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 ก็เห็นภาพก็คิดว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้ไม่ดีเสียเองเนี่ยนะเคยเห็นงานที่คนอื่นทําเอาไว้ผิดพลาดมีความรู้สึกว่างานที่พลาดนั้นนเป็นเหมือนกับงานเราไม่มุ่งจะตําหนิแต่มุ่งจะแก้ไขเหมือนกับความผิดพลาดเหล่านั้นคือของเรานั่นเองเนี่ย น, นะอันนี้แหละเรียกว่าเมตตากายกรรมรับหลังเช่นว่าบางทีเห็นเขาไปเก็บไม้กวาดเอาไว้เนี่ยนะ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 ให้คําบอกคําสอนให้คําว่ากล่าวเนี่ยนะข่มคนที่ควรข่มตําหนิคนที่ควรตํำหนิสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญนั้นคําว่ามีเมตตาเนี่ยนะเมตตาวจีกรรมเนี่ยพระพุทธพจน์ทุกอย่างเป็นเมตตาวจีกรรมหมดเลยนั้นเมตตาวจีกรรมไม่ได้แปลว่าไม่ข่มคนที่ควรข่มไม่ตําหนิคนที่ควรตําหนิหรือไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่องเขาเรียกก็แบ่งเวลาเป็นนั้นเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้น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 ะมีวิธีทําโดยที่คนอื่นไม่ต้องตามแก้งานให้คุณก็แนะนําไปอะไรไปช่วยหรือบอกกล่าวไปไม่ใช่โอ้ยเก็บความเลวของคนอื่นมาประจานทานั้งๆที่ความเลวอันนั้นมันไม่ได้มีในปัจจุบันเรือว่าไปขุดตามขุดน้อยขุดมาเนี่ยเขามีความเลวถ้าระลึกชาติได้ไว้ตามขุดมาว่าอดีตชาตินี่เลวแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะบอกไม่หอท่านนั้นคิดว่าขาดเมตตาวาจีิกรรมขาดเมตตามนโนกรรมเป็นต้นดังั้นการมีเมตตาก็คือความ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 ว่าขอให้ท่านมีความสุขนะเช่นอีกฝ่ายหนึ่งมากราบไหว้อีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขงั้นการที่ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรมรมนะนะเมตตาวจีกรรมเนี่ต่อไปสําหรับอ่าเมตตาวจีกรรมนั้นสามารถจะกล่าวได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมรับหลังก็เช่น การสอบถามถึงผ you know so uh, <uned> ู้ที่ไม่มีอยู่ในวัดหมายค่ะว่าตอนนั้นนี่เขาไม่อยู่นะก็พูดถึงว่าพระเถระไปไหนพระเถระรูปนั้นท่านไปไหนพระเถระรูปนั้นไปไหนเมื่อไรท่านจะมาเขาเรียกว่าฝึกสอบถามข่าวคราวอีกฝ่ายหนึ่งการสอบถามข่าวคราวอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมลับหลังไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่ใช่ไหมแหมซัดแหลกเลยนะพอรู้ว่าไม่อยู่เท่านั้นแขุดมากนขุดมาด่า